ที่นี่ Love Radio พร้อมตอบสนองความต้องการในโลกยุคดิจิดัล c r e เตอร์ม l t ติมีเดีย ผู้ให้บริการผลิตสื่อดิจิทัลสื่อวิดีทัศน์วิดีโอสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียงานบันทึกภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวไลฟ์สดุดผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook YouTube พร้อมให้บริการด้วยประสบการณ์ผลิตสื่อนานกว่า30ปีเกรเตอร์มามร์เก็ตมีดีโอศูนย์แปดหนึ่งห้าสม่งความสุขทุกทุกชั่วโมง <Love> Radio. เทียบเวลา22่สนากาโดยห้างซูเปอร์ดิพาร์ตเมนต์โตรสาขาปัตตานีสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตถูกทุกวันไม่ต้องรอวันลดโทร073 332 940และ332 942สอ้าคุณกำลังฟังวอทอทอ Love Radio ปัตตานี FM 93้าสมไม่เกิน คุณกำลังฟัง f อฟม93เมกะเฮิร์ตซ์ Love Radio 93เมกะเฮิร์ตซ์คุณผู้ฟังกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงวทอทอ Love Radio ปัตตานี